<laughs> . ต้องขออนุโมทนากระทุกท่านชมรมพุทธธรรมนําทองที่ได้มาร่วมกันฟังธรรมทําความดีในวันนี้โดยปกติแล้วสมัยนี้นี่จะหาคนที่จะมาร่วมฟังธรรมมากมายขนาดเนี้นหาได้ยากมากเชิญไปผู้ที่ไหนคนที่มาเชิญก็ดูคึกคักแต่คนที่มาฟัง ไม่ค่อยจะคือคากเลยหน้าซีดหน้าเศร้าไม่ได้เกรงใจคนพิการบ้างเลยนั้นนั่งตามสบายสบายฟังธรรมะอย่างสบายสบายธรรมะไม่ใช่ยาขมธรรมะเป็นเรื่องผ่อนคลายธรรมะที่จะพูดในวันนี้นี่ไม่ใช่ธรรมะแบบที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเป็นธรรมะที่เคลือบช็อกโกแลตมีความหวานความสดชื่นอยู่ในตัวคือสามารถที่ฟังไปแล้ว เอาไปปฏิบัติได้แต่ก่อนอื่นทุกท่านต้องวางจิตวางใจใเป็นกลางๆให้อยู่รู้อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ปัจจุบันที่กำลังฟังนี้อย่าปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยแล้วก็หลับไหลตั้งใจฟังอย่างสบายๆ ส, สิ่งที่จะพูดในวันนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับคนทุกคนไม่ใช่เรื่องของผมนะ เรื่องผมมันจบไปแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรจะมาพูดแล้วแต่เราอยากจะพูดเรื่องของจิตของกายคนที่มีจิตที่มีกายเนี่ยฟังแล้วได้รสชาติในนี้ใครไม่มีจิตบ้างกายเห็นทุกคนแต่จิตเนี่ยมีหรื อ, อยังเรารู้ไหมว่าจิตเราอยู่ตรงไหนบางคนก็สงสัยเรามีจิตหรือเปล่าจิตคือความรู้สึกใครไม่มีความรู้สึกบ้าง ผมอยากจะพูดธรรมะแบบพูดคุยอย่าแบ่งแยกว่าอันนั้นผู้พูดอันนี้ผู้ฟังเรามาคุยแบบเหมอนสนทนาแต่ตอนนี้ขอสนทนาคนเดียวก่อนเรามีจิตมีกายอยู่กับปัจจุบันตรงนี้แห ล, ละแลเรื่องที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องของปัจจุบันเรื่องของชีวิตเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องคละลาสมายัยเรื่องพุทธประวัติอันนั้นยังไม่ใช่ธรรมะ อันนั้นเป็นพุทธประวัติเมื่อ2500กว่าปีแล้วเป็นเรื่องอดีตแต่ว่าธรรมะดิแทจริงนั้นต้องเลือกปัจจุบันที่เนื้อที่ตัวเราจึงจะเป็นประโยชน์เรื่องพุทธประวัตินั้นไม่ต้องมาเรียนรู้ก็ได้ไปอ่านเอาแต่เรื่องชีวิตเนี่ยต้องรู้ถ้าไม่รู้เรื่องชีวิตเนี่ยเราก็จะพาชีวิตไประหกระเหินแล้วก็เป็นทุกข์ในที่สุดเรื่องธรรมะรู้ได้ง่ายแต่เรื่องชีวิตเนี่อรู้ได้ยาก ทำไมจะรู้ได้ยากเพราะเราไม่อาจจะทราบว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะไปทางสุขหรือจะไปทางทุกข์เราทราบเลยไหมว่าต่อไปข้างหน้าเราจะเป็นสุขแล้วก็จะเป็นทุกข์มันรู้ได้ยากมากเพราะว่ามีความไม่แน่นอนอยู่ในชีวิตทุกข์ั้ะเลืกอนาคตเรื่องอดีตมันผ่านไปแล้วอย่าเก็บเอามาคิดอย่าไปเอาของเก่าๆมาอุ่นกินเรื่องอดีตก็ เ, เห็นไหม ควายควายเนี่ยมันกินหญ้าเพราะหญ้าหมดแล้วมันก็ไม่นิ่งนะมันก็ยังเคีย้ยวไปเรื่อยๆหญ้าหมดแล้วยังเคีย้ยวเลยเอาที่ไหนมาเคีย้ยวมันก็เอาที่มันเก็บเอาไว้เอามาเคีย้ยวเอื้องเอาของเก่าๆมากินมันคนที่ชอบเรื่องอดีตมาคิดมันเจ็บดีมีมรสชาติเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตมันก็คืออดีต เราจะเก็บเอามาคิดทุกครั้งที่คิดดีไรแล้วก็ทุกทุกทีนอน่าดีกว่าที่จะมาคิดเรื่องอดีตผ่านแล้วก็ผ่านไปแต่ความคิดนอนดีตย่อมเกิดขึ้นได้มันช่วยไม่ได้จริงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอ๋ออดีตเอามาเป็นครูเรื่องอดีตเอามาเป็นครูสอนให้เราจดจำไว้ว่าอ๋อเพราะเราทำอย่างนี้นะเราจึงเป็นอย่างนี้เอามาเป็นครูสอนเขาจะรว่าผิดเป็นครู เป็นครูที่สอนเราไม่ใช่ว่าครูเนี่ยผิดปะพฤติความผิดเนี่ยมาสอนเราให้เราได้เรียนรู้ถ้าจะคิดคิดเพื่อมาเป็นครูอย่าคิดแล้วให้เป็นทุกข์เรื่องอนาคตยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งไปสนใจเลยมันเป็นความฝันนะั้นนหะอนาคตมีไหมใครว่าอนาคตมีบ้างยกมือสิโอใครเห็นอนาคตบ้างอนาคตนี่ยังไม่มีนะ อนาคตเป็นเพียงแค่ความคิดเพราะนั่นคนที่รอความสุขในอนาคตเนี่ยมักจะผิดหวังผิดหวังร0อยเอร์เซนเลยเพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่มีความสุขระหว่างในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ความหวังก็ผิดหวังแล้วตั้งแต่หวังเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นเรารอความหวังในอนาคตเดี๋ยวนี้เขาจะอธิษฐานทำบุญหนึ่งบาทอธิษฐานเอาอิพาน ค้ากำไรเกินควรหนึ่งบาทโอ้อธิษฐานานานด้วยอหเด่นิพานในต่างหาแล้วก็อธิษฐานก็ไม่ฉลาดนะหนึ่งบาทนี้ขอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพานเบื้องหน้านู้นเถิดทำไมไม่บอกนิพานนี้เถิดบ้างละ่ะนี้นี่มันใกล้กว่านู้นนะคนเรามักจะหวังความสุขในอนาคตไม่เคยมาทําให้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยมีความสุขเลยถูกไหม หวังชีวิตดีเมื่อวันข้างหน้าหวังจะเป็นคนดีในวันข้างหน้าเราจะเป็นคนดีเป็นคนสุดท้ายในโลกนี้หรือทําไมไม่เป็นคนดีคนแรกในโลกนี้อย่าหวังรอความสุขในอนาคตดึงความสุขในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันซะใช้อนาคตให้หมดเนี่ยแล้วเราจะเริ่มมีความสุขแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้ต้องมีความสุขก่อนถ้าวันนี้ไม่สุขเนี่ยอนาคตอย่าได้หวัง อนาคตมาจากวันนี้อย่างผมเนี่ยดึงความสุขในอนาคตมาใช้หมดแล้วมาใช้ที่ปัจจุบันเป็นคนที่ไม่มีอนาคตแล้ววันนี้ก็มีความสุขก็พอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลื้นตาขึ้นมาอ๋อเป็นกําไรชีวิตสุขอีกวันหนึ่งมาลื้นลื้ตาขึ้นมาอ๋อมีสุขอีกทุกวันสุขไปเรื่อยๆ ย, ยิ่งมีอนาคตยาวไกลยิ่งมีความสุขยาวไกลผมดึงเวลาในอนาคตมาใช้หมดแล้วตอนนี้เห็นไหมสบายเลยไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคต ปัจจุบันนี้เรามีความมั่นคงมั่นใจวันนี้นะและวันลุ่งขึ้นนะ่ะมันก็มีความมั่นคงมั่นใจเหมือนกันการก้าวไปแต่ละก้าวเนี่ยมันต้องมั่นคงตั้งแต่ก้าวแรกถ้าก้าวแรกไม่มั่นคงก้าวที่สองล้มแน่เพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยทำจะให้มีความสุขโดยการรู้อยู่ที่ปัจจุบันตอนเนี้ยถ้าเรายู่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่มีความทุกข์อะไร แต่ถ้าเราลืมปัจจุบันเมื่อไหร่ก็ไม่แน่นะดูเวลาแล้วโอ้นี่มันมืดเลยนะนึกถึงบ้านนึกถึงที่จะไปเอาละเริ่มมีปัญหาแนละ้วเพราะว่าปล่อยจิตปล่อยใจออกจากอดีตไปสู่อนาคตเพรา ะ, ะนั้นเรื่องชีวิตเนี่ยอย่าประมาทเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากมากว่าเราจะไปสุขหรือจะไปทุกข์ถ้าปัจจุบันเรามีความสุขขอยมั่นใจเถอะอนาคตมันก็ต้องสุขตามกันไปเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดับ อยู่อย่างมีความสุขก็รู้อยู่ที่ปัจจุบันไม่แน่นอนนะอย่าเพิ่งไปหวังอ น, นาคตก็ <g ül> <g ül> อย่างชีวิตผมเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาใช้ชีวิตที่พิการอย่างนี้ชีวิตที่คิดไม่ถึงเนี่ยต้องพิการอย่างนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเรียนก็จบได้ทำงานในสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็เตรียมวาดหวังอนาคตว่าจะต้องบวชให้คุณพ่อคุณแม่มีครอบครัว อมีเงินจะปลูกบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ในยามที่ท่านแก่เท่าท่าจะได้มีความสุขในบ้านปลายโ่นี่เป็นความหวังที่มีโอกาสเป็นไปได้เกือบจะสมหวังอยู่แล้วก็พลาดหวังจนได้เนี่ยเพราะความไม่แน่นอนจึงกล้านยืนยันได้เลยว่าอนาคตเป็นยังไงอนาคตเป็นจริงไม่แน่นอนทุกมากเมื่อเรามีความหวังแล้วผิดหวังมีหลายคน เป็นญาติธรรมมาคุยกับผมเขาพูดจังเปิดปกเลยว่าถ้าชีวิตเขาเนี่ยเป็นอย่างผมเนี่ยพิการตลอดชีวิตมีความผิดหวังไม่มีงานทำไปไหนต้องมีคนช่วยถ้าไม่มีคนช่วยก็ไปไหนไม่ได้ชีวิตต้องติดอยู่บนรถติดอยู่บนเตียงนะักโทษติดคุกผมติดเตียงมันติดเหมือนกันถ้าไม่มีใครยกก็ไปไหนไม่ได้นอนอยู่บนเตียงนะะั่นะ โอ้ถ้าเขามีชีวิตแบบผมนะเขาขอตายดีกว่ารับไม่ได้ทําใจไม่ได้เขาบอกเขาขอตายดีกว่าพูดอย่างไม่เกรงใจเลยนะเอะมื่อยังก็บีบคั้นว่าเอ๊ะทำไมเราจึงไม่ตายลืมไหมว่ากลัวเราจะต้องคิดมากใหม่ๆก็คิดเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมเราไม่คิดตายเนาะนึกขนะึ้นมาอ๋อมันเราไม่ใช่เขานี่ถ้าเป็นญาติธรรมเนี่ยจะอยู่ดีกว่าตายหรือจะตายดีกว่าอยู่ลองคิดูซิ ชีวิตที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวแค่ศีรษะแล้วก็หัวไหลทุกค เ, เวทนาทางกายเนี่ยมีอยู่มากสมมตินะถ้าเป็นญาติธรรมเนี่ยจะเลือกอยู่จะเลือกตายโอ้อยู่ลําบากนะตายสบายนะนี่ไม่ ม, มาช่วนให้ตายคิดดูก่อนแต่ผมมีแง่คิดให้เราเลือกตามธรรมดาแล้วชีวิตทุกชีวิตเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีทุกยากลําบากใจ แสนสาหัสอย่างไรก็ตามยังไงก็ควรเลือกอยู่ดีกว่าตายไอตยนะ้ตายนะตายแน่แต่อยู่เนี่ยมันควรต้องเลือกก่อนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราอยู่เนี่ยเรายังมีโอกาสโอกาสหลายอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากร้ายกลายเป็นดีได้ถ้าตายอ่ะหมดโอกาสเลยอย่างน้อยคนตายก็ไม่มีใครเห็นใจ คนอยนู่ยังมีคัวหนึ่งใจนะคนตายเนี่ยไม่ได้ฟังธรรมคนตายหมดติดฟังธรรมไอ้ที่ตายแล้วก็สวดกันหน้าโลนั้นไม่ได้สวดให้คนตายฟังให้คนเป็นน่ะต้องฟังก่อนจะตายถ้าตายแล้วไม่ได้ฟังแล้วเพราะอะไรพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนคนตายพุทธเจ้าสอนคนเป็นเช่นว่าท่านสอนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นะดูก่อนญาติโยมทั้งหลายถ้าไม่สอนว่าดูก่อนคนตายทั้งหลายท่านไม่สอนเพรา ะ, ะนั้นคนอยู่เนี่ยมีโอกาสฟังธรรมแล้วก็มีโอกาสบรรลุธรรมด้วยอยู่ในสภาพใดก็ตามมีโอกาสพัฒนาชีวิตได้ทั้งนั้นเลยเพรา ะ, ะนั้นสรุปแล้วอยู่ดีกว่าตายอย่างน้อยมีคนเห็นอกเห็นใจคนที่รักเราก็มี คนที่เห็นโอ้ยใจเราก็มีและมีโอกาสพัฒนาชีวิตเราได้เพราะนั้นเลือกอยู่ไว้ก่อนจะลาบาก้ากเก่งแค่ไหนไม่สาคัญเรานี่มันคนที่กลางกลางระหว่างคนที่โชคดีกับเรากับคนที่โชคร้ายกับเราทุกคนเป็นกลางหมดเป็นกลางระหว่างคนที่โชคดีกับเราและคนที่โชคร้ายกับเราถูกไหมอย่างในเนี้ยที่นั่งอยู่เนี้ย โอ้คนที่โชคดีกับเราอาจจะเป็นท่านประธานก็ได้คนที่โชครล่ยกับเราอาจจะเป็นผมก็ได้เรานี่อย่างเป็นกลางดีกับผมอีกผมเองนี่ก็เป็นกลางนะไอะอย่างพวกท่านเนี่ยดีกับผมทั้งนั้นแล้วใครที่แย่กับผมอ่ะตอนนี้ไปดูเถอะสีราชโรงพยาบาลสีราชนอนพะ ง, งาบพะ ง, งาบไม่มีญาติอนาถาผมว่าไอ้นั่นร้ายกับผมเองนะเพราะนั้นคนทุกคนเนี่ยเป็นกลางอยู่แล้วอย่าคิดว่าเราโชคเลายที่สุดไม่มีหรอก อย่าคิดว่าเราโชคดีที่สุดก็ไม่มีเหมือนกันเราเป็นกลางในระหว่างคนโชคดีกับโชคร้ายนะเพราะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้จะมีสองด้านเสมอในโลกนะมีสองด้านถ้านเหนือโลกแล้วก็มีด้านเดียวอันนี้ผ่านด้านเดียวไม่มีสองด้านแต่ในโลกนี้มีสองด้านมีร้อนก็ต้องมีเย็นมีผิดหวังก็ต้องมีสมหวัง มีทุกก็ย่อมมีสุขมีลบก็ต้องมีบวกเห็นไหมถ้าชีวิตเราเนี่ยเป็นไปในทางลบมองไปในทางบวกบ้างเพื่อให้กําลังใจเพื่อตั้งหลักชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตต้องเป็นไปในทางลบเราต้องรู้จักเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เปลี่ยนไปทางบวกโอ้เรายังดีกว่าคนอีกหลายคนเรายังมีโอกาสแต่สําหรับผมเนี่ย เมื่อตอนพิการใหม่ๆเนี่ยโอ้มีแต่ลบลบลบลบศูนย์คิดไปทางลบมากคนที่มีความทุกเนี่ยจะคิดบวกเนี่ยเป็นปริยยาบา้าถูกไหมจะคิดไปทางลบคิดว่าเราเนี่ยเป็นทุกขอยู่คนเดียวในโลกทันทีที่อยู่โรงพยาบาลทราบว่าเราต้องพิการตลอดชีวิตไม่ได้ใช้โยเลยไม่ใช้โยแลย้วโอ้จิตนี่ตกเลย ตกมากเสียศูนย์เลยคิดขึ้นมาทันทีเลยเนะความคิดมาก่อนเหตุการณ์ยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยนะแต่คิดก่อนเหตุการณ์ปุ๊กล่วงหน้าอืนึกภาพตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นตลอดชีวิตจะต้องนอนอยู่บนเตียงแคบๆไปตลอดชีวิตนึกถึงภาพเก่าๆที่เราเคยประสบผลสาเร็จมากับปัจจุบันเนี่ยมันตาน่างกันมาก ตอกย้ำตัวเองให้มันทุกข์มากยิ่งขึ้นและ ว, วิธีคิดแบบเนี้ยมันไม่ได้เคยพัฒนาจิตใจเลยมันเหมือนตอกย้ำให้เราเศร้าหมองมากยิ่งขึ้นนอนคิดมือขวากายหน้าผากคนที่นอนมือกายหน้าผากเนี่ยทุกข์ด้วยมันสุขมือขวากายหน้าผากทุกทางกายเนี่ยรุนแรงมากแต่ทุกทางจิตรุนแรงมากกว่ากายกายมันป่วยมันไข้ บางทีมันลืมไปแล้วเพราะจิตมันคิดปรุงแต่งว่าเราคงจะลําบากครอบครัวเราจะอยู่อย่างไรแล้วต่อไปเราจะทําอย่างไรไม่ใช่เรื่องของกายเลยนะเรื่องของจิตที่มันกังวลไปทั้งนั้นเลยคิดจนจบทุกจนพอเพียงแล้วมันก็เหนื่อยจะเลิกคิดมองดูโอ้โหนี่ตอนแรกกายข้างเดียวต่อมากายสองมือเลยผมนี่นอนกายรัาากษาสองทันเลยนะ มือขวาเรื่องของกายมือซ้ายเรื่องของจิตนอนอนั้เรานี่มือกายหน้าผากสองข้นงแสดงว่าอาการไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยแต่มันความทุกข์มันสุกงอมแล้วเนี่ยมันมีการหยุดเหมือนกันไม่มีทุกตลอดชีวิตหรอกไม่มีใครมีความทุกตลอดชีวิตมันมีช่วงที่เปิดช่องให้เรารู้จักคิดหาทางออกก็เลยคิดว่าอ๋อเราถ้าเราทุกไปอย่างเนี้ยมันได้เป็นการช่วยเหลือชีวิตเราได้ เปลี่ยนวิธีคิดใหม่การเปลี่ยนวิธีคิดจากความทุกข์ไปสู่ความไม่ทุกข์เนี่ยอันดับแรกเนี่ยคือรู้จักยอมรับยอมรับยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราการยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้นะยอมรับว่ามันเกิดจริงเนี่ยปัญหามันเกิดกับเราจริงๆแทนที่เราจะไปต่อต้านมันยอมรับ้วก่อนยอมรับได้ความเข้าใจอ๋อนี่เรา มันเป็นจริงๆเนาะยอมรับใเขาเข้าใจแล้วก็รู้จักคิดแก้ปัญหาถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยมันจะแก้ปัญหาไม่ได้หรอกใจมันยังขุ่นยังงัวงอยู่ถ้ายอมรับแล้วจิตมันจะเริ่มปกติแก้ปัญหาชีวิตมองชีวิตไปทางที่บวกแล้วก็ไปได้อย่างน้อยรู้จักให้กําลังใจตัวเองไม่เป็นไรหรอกเรายังมีโอกาสเดี๋ยวความทุกข์มันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนเมื่อก่อนเราเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ทุกเมื่อก่อนมาหายไปแล้วมันมีทุกข์ใหม่เดี๋ยวทุกข์ใหม่มันก็หายไปนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราไม่ได้มีความทุกข์ซ้ำๆหรอกถึงซ้ำก็ซ้ำควรเราลดชาติไอคนหน้าเก่าๆมันทําให้เราเป็นทุกข์วันนี้นะเด้๋ยววันต่อไปมันก็หาทุกข์ใหม่รอใหม่มันไม่ทุกข์เดิมๆมันเปลี่ยนไปพอเราคิดไปทันนองที่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเราสบายขึ้นเหมือนกัน มารู้สึกกระตือหรือล้ลนที่จะแก้ปัญหากระตือหรือล้ลนที่จะพัฒนาชีวิตเราไปในทางที่ดีทุกบางอย่างใช้เพียงแก้ความคิดจิตมันก็สบายแต่ทุกบางอย่างเนี่ยคิดแล้วมันก็ออกจากความทุกข์ไม่ได้ถูกไหมทุกบางอย่างนี่ง่ายแค่คิดมันก็หมดปัญหาบางอย่างคิดเอาก็ยังออกไม่ได้อย่างเช่นความโกรธเนี่ยความโกรธนี่มันเป็นทุกข์คิดเอามันก็ไม่หายหรอก มันต้องมีการลงมือปฏิบัติปฏิบัติให้รู้เท่าทันในความโกรธแล้วก็ปล่อยวางมันได้ตรงนี้ต่างหากแค่คิดเอาเนี่ยก็เ ป, เป็นเป็นแค่นามมาทำแต่เราจะเปลี่ยนนามมาทำเป็นรูปธรรมใดนั้นจะต้องมีการปฏิบัติผูเองก็เหมือนกันไอ้ทุกข์ขนาดเนี่ยถือว่ามันเป็นทุกข์ที่รุนแรงมากเหมือนโรคที่รุนแรงจะกินยาแค่พาราเซตามอลมันก็ไม่หายทายาก็ไม่หายมันต้องผ่าตัด อย่างผมผ่าตัดแล้วมันก็ไม่หายนะการรักษาถึงที่สุดคือการผ่าตัดตเปลี่ยนอวัยวะใหม่อย่างผมนี่ไม่มีอวัยวะเทียมละคือกระดูกต้นคอข้อที่ห้านี่หักหมอก็เอากระดูกเชิงกลางเนี่ยเละเาะออกมาส่วนหนึ่งเอามาดาลกระดูกต้นคอที่หักผ่าตัดสองที่เลยเพื่อให้คอนี่มันติดอยู่กันมันก็ไม่หายเพื่อจะช่วยการเคลื่อนไหวเนี่ย ดีขึ้นหน่อยแสดงว่ามันผ่าตัดแต่รู ป, ปรธรรมความทุกข์วันนี้มันเกาะกินจิตใจมันต้องผ่าตัดจิตใจไม่ใช่ผ่าหัวใจนะจิตใจเนี่ยเป็นนมามธรรมผ่าหัวใจเป็นรูปธรรมก็สายการปฏิบัติธรรมะนี่แหละทุกข์ของผมเนี่ยมันต้องปฏิบัติธรรมะไม่งั้นไม่หายขาดต้องตัดรากถอนขนความทุกข์เลยผมก็ใช้การปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมคืออะไรเยะเลยมีมากมายศีลเนี่ยสมาธิปัญญาอันนี้คือตัวปฏิบัติผมใช้การเจริญสติการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นบุญสูงสุดเนี่ยคือการภาวนาเนี่แหละคือตัวป็นบติการภาวนาการภาวนาคือการเจริญสตินี่แหละภาวนานี้ไม่ใช่บ่นพึมพำ น, นะโนาะุรนบุตโตสมาหลัง อันนี้ไม่ใช่ภาวนาอันนี้เป็นคำว่าบริกรรมภาวนาคือทำให้เจริญภาวนาแปลว่าจเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตใครไม่จเจริญเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นภาวนาชื่อจเจริญถ้าคนไม่ทำก็ไม่จเจริญเหมือนกันภาวนาไปจเจริญเจริญอะไรจะเจริญสติเจริญสติเพื่อจิตมันจเจริญให้มันเข้มแข็งเพราะใช้การเจริญสติเนี่ยการเจริญสติเนี่ย คือการย้อนกลับมาดูตัวเราการย้อนกลับมาดูตัวเราด้วยความรู้สึกตัวการปฏิบัติธรรมต้องเริ่มต้นในการรู้สึกตัวนะถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยธรรมะในเดินไม่ถูกต้องต้องมีความรู้สึกตัวคนที่จะถึงนิพพานได้เนี่ยต้องรู้สึกตัวก่อนไม่ใช่หลับหูหลตาถึงนิพพานนะต้องรู้สึกตัวถึงจะถึงนิพพาน ต้องรู้สึกตัวถึงจะบรรลุธรรมต้องรู้สึกตัวความทุกข์ในใจจึงจะดับไปอย่างเช่นอยู่ดีๆก็อ้าคุณเป็นพระลาหันได้เราเป็นพระลาหาันในนามละาหาันโปรโมทแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยสู้เราไม่เป็นละหันไม่ได้แต่เรามีความรู้สึกตัวนต่างกันเลยรู้สึกตัวคืออะไรคือการ หันกลับมาดูตัวเราดูกายดูใจดูด้วยความรู้สึกตัวหรือการเจริญสติสำหรับผมนี่อาจจะมีการปฏิบัติที่แปลกกับคนอื่นการปฏิบททัติธรรมจะเห็นว่าถ้ามีการเดินจงกรมใชม่เดินจงกรมต้องมีการนั่งสมาธิหลับตาแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยผมทำไม่ได้เลย ผมมีเอียบทเดียวนคือนอนผมนั่งสมัยก่อนนั่งได้ไม่นา น, นแบบนี้หรอกผมนั่งได้แค่ครึ่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงผมก็ต้องนอนแล้วสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้นั่งได้นานผมก็นอนปฏิบัติเห็นไหมเห็นนอนปฏิบัติไหมมันก็มันก็จะหลับไปนะทุกคนเพราะว่านอนปฏิบัติทำโอสบายเลยบางคนเขานั่งสมาธิกันเดี๋ยวฉันขอไปนอนทําสมาธิทุกคนเลือกได้ นอนนั่งยืนเดินได้สี่เอียบถเลยบางคนถนัดนั่งบางคนถนัดเดินบางคนถนัดนอนแต่ว่าเรื่องอียบทนอนเนี่ยครูบาอาจารย์จะไม่แนะนำแล้เพราะมันใกล้ความง่วงแต่ผมนี่มันเลือกไม่ได้จะเป็นต้องนอนปฏิบัตินอนเจริญสตินอนยังไงนอนเจริญสติ ก็เคยทำเรื่องการหลับตาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทาหลับตาด้วยนอนด้วยโอ้มันก็หลับไหลไปเลยนิพานตอนหลับอืแล้วตื่นขึ้นมาก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมทําไม่ได้แล้วผมแมแต่ว่าครูบาอาจารย์หลวงพ่อคําเขียนเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนวิธีการจารสติแบบเคลื่อนไหวในแนวหลวงพ่อเทียน หลว่อเทียนนีเขยกยให้เป็นปรมาจารย์แห่งการเจริญสติซึ่งมรณภาพไปแล้วหลวพ่อคำเขียนเป็นลูกศิษย์ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่อยู่ที่วัดป่า ส, สุกโตจังหวัดชัยภูมิเขียนจดหมายติดต่อกระท่านถ้านแนะนำให้เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในอิริยาบถนอนนอนพลิกมือเล่นนะเคยเห็นไหมการเจริญสิทธิแบบพลิกมือเนี่ยพลิกมือหงายรู้สึกตัว พลิกมือคว่ำรู้สึกตัวพลิกมือหงายรู้สึกตัวให้มีสติรู้ลงไปที่กายที่มันเคลื่อนไหวเมื่อก่อนเนี่ยผมมีการเคลื่อนไหวแค่มือขวานะมือซ้ายเนี่เคลื่อนไหวได้ ไ, ดไม่มากมือขวานอ น, นพลิกมือ น, นี้รู้สึกตัวคือการเจริญสติรู้กายเคลื่อนไหวเริ่มรู้ที่กายเคลื่อนไหวอย่างไม่ยุ่งกับจิตใจไม่ยุ่งกับความคิด อย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องจิตเพราะจิตทําให้เราหลงได้ง่ายเป็นจุดอ่อนของชีวิตคือจิตหลงให้มารู้ที่กายก่อนเพราะกายมันไม่คิดอะไรรู้สึกตัวเอากายเป็นฐานที่เขาเรียกว่าอะไรกายานุปัฏนาสติปัฏฐานเคยได้ยินไหมเนี่ยคือเอากายเป็นฐานที่ตั้งของสติกรรมาฐานส่วนใหญ่ก็อาศัยกายเนี่ยการดูลมหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกให้รู้สึกตัว การเดินจมกลมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก็คือเอากายมาเป็นฐานอยู่เดียวผมก็าสายกายคือส่วนของมือเนี่ยรู้สึกตัวไปแล้วมันทําไปทั้งวันเจตนาเคลื่อนไหวใส่ใจที่จะรู้สึกอันนี้เป็นความเพียรเจตนาเคลื่อนไหวใส่ใจที่จะรู้ที่เนื้อที่ตัวเราอันนี้เป็นความเพียรก็ทําอยู่นี่แหละนีะ่ยมันเมื่อยอ่ะก็หยุด แล้วอาศัยอิริียบทอื่นอย่างเช่นพลิกตัวก็รู้สึกดื่มน้ำก็รู้สึกทานข้าวก็รู้สึกรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แปรงฟันล้างหน้าขับถ่ายพับผ้าหมจัดที่นอนพับผ้าเช็ดหน้าหยิบชวยเติมสติลงไปไม่เคลื่อนไหวฟรี ถ้ากายเคลื่อนไหวใจต้องรู้กายอยู่ไหนใจอยู่ด้วยอยู่คู่กันเนี่ยกายกับจิตใช่ไหมเพราะอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยทนทจิตมันจะคิดเลื่อนลอยไปในอดีอนาคตมันไม่คิดละเพราะจิตกลับอยู่ที่กายร่อม เ, เขียนนะ่ะบอกว่าให้รู้เล่นๆรู้เบาๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจับรู้แบบดูๆอย่าเข้าไปอยู่กับมันเข้าใจไหมเป็นเพียงแค่พูดดูอย่าเข้าไปอยู่กับกายนะ ให้เป็นผู้ดูมันสบายเลยไม่ได้เพ่งไม่ได้จับเนี่ยแค่รู้กายเนี่ยรู้เฉยๆแบบรู้เล่นๆเลยนะให้รู้ให้ต่อเนื่องนานๆการที่เราเจตนาเคลื่อนไหวใส่ใจที่จะรู้เนี่ยทำต่อเนื่องกันนานในแต่แตละวันเนี่ยเท่ากับเป็นการสอนจิตสอนจิตให้รู้มากกว่าให้คิดเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยพวกเรานี่ชอบคิด หาความรู้จากความคิดใช่ไหมใช้จิตคิดไม่เคยรู้คิดจิตก็เลยเคยจิตที่อยากคิดแต่การเตือนติน่นเป็นการหักหลังจิตให้มาอยู่กับความรู้สึกอย่าไปความคิดฝึกตรงนี้ก่อนอยู่ความรู้สึกกับการเคลื่อนไหวของกายเท่ากับเป็นการสอนจิตให้รู้มากกว่าให้คิดทุกวันเนี้ยจริยธรรมเนี่ย รู้สึกตัวมากหรือคิดมากบางคนร้ายอยู่คนนั้นนะคิดว่าเรารูเ้เอจันคิดว่าฉันรู้นะก็ยังคิดว่าฉันรู้นียถ้ารู้เนี่ยมันไม่มีความคิดถ้าคิดเนี่ยไม่มีความรู้หรอกถูกไหมรู้เฉยๆไม่มีความหมายอะไรอันนี้เป็นจิตที่เป็นจิตเดิมแท้คือรู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้แบบยุติธรรมแบบไม่ต้องใช้ความคิด พอรู้บ่อยๆเนี่ยเป็นการสอนจิตให้รู้จิตเมื่อถูกสอนบ่อยๆมันก็เคยชินที่จะรู้ิเคยชินที่จะรู้กลับมารู้ตัวมันเองมากกว่าแทนที่เคยชินที่จะคิดปรุงแต่งไปมันกลับมารู้ตัวเองกลับมาลูกลับมาลูตรงนี้ลหละเมื่อจิตกลับมารูตัวเองบ่อยๆแล้วจิตมันก็จะเป็นปกติละมันจะไม่ถูกความคิดปรุงแตง่งจิตจะรู้สึกเบาสบาย เมื่อมีกายเป็นเครื่องอยู่จิตจะเบาสบายเมื่อมีกายเป็นเครื่องอยู่กายเบาจิตเบาอย่างผมเนี่ยไม่รู้สึกทางด้านร่างกายหรอกชีวิตไม่รู้สึกทางด้านร่างกายรู้สึกได้ทางด้านจิตใจแต่ทำไมมันเบาๆเหมือนเราไม่มีกายโอ้เราไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องกายเลยกายเบาจิตเบาเพราะอะไรเพราะว่าความคิดมันไม่รบกวน จิตมันปลอดภัยเมื่อมีกายเป็นเครื่องอยู่แล้วความคิดไม่รบกวนไม่ได้ห้ามความคิดแต่ความคิดไม่มีสิทธิ์รบกวนใจเราก็แล้วกันเพราะเรามีเครื่องอยู่คือกายปลอดภัยกายเนี่ยเป็นบ้านของจิตถ้าไม่มีกายเป็นบ้านเนี่ยจิตก็จะละเหยเละลอนไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวอิจชาริษยาหึงหวงหวาดระแวงวิตกกังวลทุกสารพัดเลย เพราะจิตเนี่ยไม่มีกายเป็นเครื่องอยู่ใช่ไหมถ้าจิตอยู่กับกายเนี่ยปลอดภัยชีวิตจะเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นชีวิตปัจจุบันเนี่ยทุกไม่เกิดนะไอท้ทุกเกิดเพราะเราคิดอดีตอนาคตรู้ที่ปัจจุบันการเจิตสติเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งคือไม่ได้มุ่งกับความสงบคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมากแล้วหลับตาปั๊บให้มันสงบสงบคือความสยบเหมือนคนอยู่ในถ้ำ อยู่ในถ้าเนี่ยรู้แต่เรื่องในถ้ำแต่การเจริญสตินี่ไม่มั่วความสงบปลุกให้มันตื่นให้มันตื่นอยู่เสมอเสมอตื่นรู้ตื่นรู้เหมือนอยู่นอกถ้ำการอยู่นอกถ้ำเนี่ยจะเห็นทั้งข้างนอกแล้วข้างในถูกไหมอยู่ในถ้ำนี่ไม่เห็นข้างนอกตื่นรู้เนี่ยมันจะเห็นทั้งข้างนอกทั้งข้างในปลุกให้มันตื่นรู้เพื่ออะไรไม่ว่าตื่นออกมาจากความหลับไหลไง คนหลับนี่ไม่ตื่นนะจิตที่ตื่นรู้เนี่ยมันจะไม่ง่วงเหงาซึมเศร้าซ่อมหมองไม่ซึมไม่ทือไม่ซึมเศร้าคนซึมเศร้าจิตไม่ตื่นคนนั่งฟังธรรมแล้วหลับจิตก็ไม่ตื่นเหมือนกันไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าหลับแล้วมีความสุขก็เจอหลับไม่เป็นไรถือว่าบรรลุธรรมส่วนหนึ่งแล้วดีกว่าคนที่นอนไม่หลับมา ถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วมันปลุกจิตให้มันตื่นจากความง่วงเหงาซึมเศร้าความรู้สึกตัวทาให้จิตตื่นจากความคิดไม่ตกอยู่ในอำนาจความคิดไม่ขึ้นอยู่กับความคิดตื่นออกมาจากความคิดและก็เห็นความคิดนะถ้าออกมามันอะแล้วก็จะเห็นความคิดทันทีออกไปจากความง่วงเห็นความง่วงออกมาจากความคิดเห็นความคิดถ้าอยู่ในเนี้มันก็คลุกเคล้าอยู่ในห้องเนี้ยเพราะฉะนั้น การเจริญสติเนี่ยปุกิจจิตมันเตือนรู้ตื่นรู้เมื่อตือนรู้จะเกิดปัญญาสงบเฉยเฉยนี่ไม่เกิดปัญญานะต้องตื่นรู้เมื่อเจริญสติแล้วเนี่ยมันจะได้สมาธิด้วยสมาธิจะมาหลังจากมีสติเราเคยทําสมาธิไหมโอ้ต่อไปเราจะทำสมาธิการทําสมาธินี่ต้องตั้งท่าไหมต้องตั้งหลักของจิตไหมไอการตั้งหลักเริ่มต้นเนี่ยคือสติเขาให้ทําก่อน สติตั้งหลกก่อนแล้วจะเกิดสมาธิตามมาเป็นของคู่กันมีสติมันก็มีสมาธิด้วยสติแปลว่าความระลึกได้ทำให้จิตใจไม่เลื่อนลอยสมาธิคือทำจิตให้สงบสมาธิบางทีก็ขาดสติเคยมหมโอ้ดูทีวีนี่สนุกมากมีสมาธิในการดูนะเข้าอยู่ในเรื่องราวเลยอันนี้มีสมาธินะ เป็นสมาธิที่เป็นอารมณ์เป็นหนึ่งกับการดูทีวีแต่ถ้ามีสตินี่มันไม่เข้าแล้วโอ้ผู้ดูตรงนี้ทีวีตรงนูน้นสติดูเรากลังนั่งดูนะไอทีวีก็แสดงไปเราก็ดูอยู่เรื่องราวเราก็รู้ด้วยดูอยู่ข้างนอกแต่สมาธินี่จมเข้าไปข้างในเลยเพราะนั้นถ้าดูทีวีทำท่าจะเข้าไปเล่นเขาแล้วก็ให้รู้ตัวอ่าท้อออกมาทันทีเลยเห ไ, ไหมอย่าไปเป็นผู้ข่มกับอย่าไปเป็นผู้แสดง อย่าไปรับมุกก็เพราะฉะนั้นสติคือความระลึกได้ทําให้จิตใจไม่เลื่อนลอยสมาธิคือความสงบเป็นหนึ่งแนวอารมณ์เมื่อมีสติก็มีสมาธิด้วยแต่สมาธินั้นจะน้อยกว่าสติควบคุมจิตใจได้เพรลังการเจริติทําให้จิตมันตื่นรู้ตื่นรู้พราะตื่นรู้ธนาเข้าเนี่ยมันมีผลการเจรติเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อมีความรู้สึกตัวมากๆมีสติมากๆ ความหลงลืมสติก็จะลดน้อยลงไปใครเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมได้นาลืมหลังลืมแป้นตาลืมกระเป๋าตังลืมทุกอย่างเนี่ยถ้ามีสติแล้วจะไม่ลืมความหลงตัวเองก็จะหายไปจะรู้จักตัวเองมากขึ้นมันจะเกิดปัญญาตอนรู้จักตัวเองปัญญาเห็นแจ้งการเห็นแจ้งนี่มันจะเห็นสีเห็นแสง ไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนรกสวรรค์หรือพระพุทธเจ้าหรือเห็นคนที่ตายไปแล้วมาขอส่วนบุญอันนั้นไม่ได้เป็นการเห็นแจ้งนะอันนั้นเป็นนิมิตธรรมดาการเห็นแจ้งนั้นคือการเห็นตัวเราการจารติเป็นการมาดูตัวเราใช่ไหมดูตัวเรามันก็ต้องเห็นแจ้งเรื่องตัวเราถูกไหมมันจะถูกฝาถูกตัวเห็นตัวเราเห็นแม่เห็นด้วยตานะ เห็นได้ความรู้สึกสัมผัสเห็นตัวเราเนี่ยเป็นรูปเป็นนามเริ่มรู้จักรูปนามแล้วกายนี่คือรูปจิตใจที่รู้เนี่ยเป็นนามอันนี้เป็นปัญญานะปัญญาในทางธรรมะเนี่มันต้องเห็นรูปเห็นนามเห็นตัวเราไม่เห็นสิ่งอื่นไม่ได้เห็นนอกตัวคือเห็นตัวเราเห็นตัวเราอย่างไรเห็นคนอื่นก็เช่นเดียวกันเราเป็นรูปเป็นนามคนอื่นก็เป็นรูปเป็นนาม รูปคือกายนามคือจิตใจรูปมีหน้าที่เคลื่อนไหวรูปไม่รู้อะไรนะไอที่รู้คือนม้มรูปมันทื่อๆเป็นธาตุรับใช้นามนามเป็นผู้ใช้รูปให้เดินคนตายในมีน้ำไหมไม่มีมีแต่รูปคนตายจึงไม่เดินไงไม่ทุกข์ไม่สุขเอาไม้ไปกระแทกตาคนตายก็ไม่โกรธ เพราะเขาไม่มีนามแย่เราเป็นๆ เ, เนี่ยเรามีนามนามไม่ใช่ชื่อนามคือจิตคือความรู้สึกคิดนึกได้ชีวิตคนเราเนี่ยมีแต่รูปแต่นามทั้งนั้นนะทุกคนมีรูปมีนามแต่รูปนามนี่ถูกสมมุติว่าเป็นหญิงนะเป็นชายนะเป็นเด็กเป็นคนพิการอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นเลยรูปนามไม่เป็นอะไรเป็นเพียงธรรมชาติ และสติความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เป็นอะไรเหมือนกันคนที่เข้าถึงความรู้สึกตัวเนี่ยจะรู้ว่าความรู้สึกตัวไม่เป็นอะไรไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่เป็นคนพิการเป็นเพียงผู้รับรู้เฉยเฉยแล้วก็ใช้สมมุติความเป็นชายเป็นหญิงอย่างถูกต้องเนี่ยเป็นปัญญาขั้นต้นปัญญาขั้นเนี้ยไม่ใช่ธรรมดานะมันถอนความเป็นตัวตนไปได้บ้าง ขอว่าไอ้ น, นี่เป็นเราใครมาด่าไม่ได้เราต้องดีเราต้องเหนือมันจะไม่มีเราและ้ะขั้นเนี้ยมันเริ่มผ่อนคลายจากความทุกข์เราแก่เราอ้วนก็จะไม่มีเราไม่สวยเราไมีค่ะมันจะไม่เกิดขึ้นเลยอ๋อนี่เป็นเรื่องของรูปของนามเขาแล้วมันจะเรียนรู้ได้การเรียนรู้จากรูปที่มันแสดงรูปนี่มันจะมีความทุกข์และมีความสุขเรียนรู้ไปด้วยกันเลยรูปนี่ มีแต่ความทุกข์นะเห็นไหมเนี่ยทุกคนเนี่ยนั่งฟังทำอยากนั่งนิ่งๆก็นิ่ ง, ง, ง, ง, งไม่ได้เพราะอะไรมันเมื่อยมันปวดมันต้องเคลื่อนต้องไหวนั่นละ่ะไอ้ที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่มันจะหาความสุขนะมันแก้ทุกข์บางคนบอกว่าฉันไม่มีความทุกข์เลยฉันเป็นคนมีความสุขไม่มีความทุกข์เลยขอเชิญท่านลองนั่งนิ่งๆดิท่านจะรู้ว่าไอ้ความทุกข์บีบคั้นเราต้องเคลื่อนไหวแน่จริงอย่าเคลื่อนไหวดิ น่ตินอยากกระพริบตาสิใช่หไหมการกระพริบตาการเคลื่อนไหวเป็นการแก้ทุกข์แต่เราไม่เคยดูตรงนี้เลยเราทําโดยความเคยชินอตัตโนมัติเนี่ยผมรู้เลยอย่างผมเนี่ยโอ้มันอยากเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไม่ได้โอ้มันทุกข์หลายเนาะต้องให้คนรู้นี้มาช่วยอ๋อนี่คือความทุกข์ของร่างกายเราลองเคลื่อนไหวเองไม่ได้ เพียงแค่กระดูกหักใส่เฟือกเนี่ยหัเครียดมานอนอยู่บนเตียงหนึ่งวันเนี่ยอืไปไหนไม่ได้จะรั่ว น, นี่เป็นทุกมาการหายใจเข้าการหายใจออกคือการแก้ทุกร้อนเกินไปก็ทุกเย็นเกินไปก็ทุกนอนร้อนก็หนาวเข้าวมนนี้ก็ไม่หนาวนะหลายคนอบอุ่นใส่สวมหมวกใส่เสื้อ กันหนาพราะคนที่ไม่ค่อยมีไฟในร่างกายในความร้อนมันไม่ค่อยเกิดร่างกายพร้อมไขมันไม่ค่อยมีเนีเพราะนั้นคนไขมันมีมากๆเนี่ยต้องขอบคุณมันนะมันช่วยอบอุ่นถ้าพร้อมให้อย่างผมเนี่ยมันหนาวง่ายแล้วมันไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวนีต้องอาศัยความอบอุ่นนะทุกทั้งนั้นเลยไหมทุกจากความเมื่อยความปวดความร้อนความหนาวความหิว อันนี้คือความทุกข์ของกายเราได้เรียนรู้ไม่รู้จักตำรารู้จักได้สัมผัสเลยแล้วก็แก้ไขไปอยผมเนี่ยจะทุกข์มากกว่าอื่นที่ว่ากระดูกข้อที่หาที่มันหักเนี่ยมันจะควบคุมระบบต่างๆในร่างกายหลายระบบระบบหายใจปอดเนี่ยผมทำงานได้ไม่เต็มที่หรอกเพราะกระดูกที่มันหักเนี่ยมันควบคุมประสาทเกี่ยวกับการช่วยหายใจ ผมนี่จะหายใจได้ไม่เต็มรอยนะหายใจแค่เนี้ยปากถึงคอแค่เนี้ยคนเราเวลาหายใจเนี่ยมันต้องหายใจถึงท้องเลยหายใจขั่วท้องอย่าผมหายใจไม่ทั่วท้องมันไปไม่ถึงท้องอยู่แค่เนี้ยแค่หน้าอกแล้วเวลาหายใจเนี่ยไม่ได้ใช้จมูกนะใช้ปากผมหายใจไม่ถึงจมูกทุกไหมลมหายใจก็ไม่พอกำลังอัดของปอดไม่ค่อยดีพูดไปด้วยหายใจไปด้วย มันคนวิ่งไปร้องเพลงไปมันก็จะเหนื่อยคนปกติเห็นไหมระบบการหายใจเสียระบบการไหลเวียนโลหิตก็ไม่ปกติเนี่ยตอนเนี้ยถ้าดูที่เท้าเนี่ยเท้าผมนี่จะบวมเพราะว่าเวลาเลือดมันลงไปแล้วมันขึ้นมาลําบากมากมันไม่มีรีบเหมือนมนที่นี่เลือดลงไปแล้วมันมันขึ้นลําบากเท้าจะบวมถ้าเลือดมันขึ้นรีบได้ก็จะดีมันขึ้นไม่ได้มันลงแล้วก็อยู่กันเท้าบวมเลย ระบบการไหลเวีนหันี้ไม่ดีส่วนล่างี่จะมีอาการดำๆเลือไม่ค่อยเดินระบบขับถ่ายก็ไม่ดีถ่ายต้องใช้ยาสวนต้องมีคนช่วยระบบการย่อยอาหารก็ไม่ดีทานอะไรไปก็อืดทุกระบบเสียหมดเลยอย่างเงี้ยทุกมากแล้วก็การรับควารู้สึกเซลล์ประสาทมันถูกทำลายไปแั่วหมายคนที่นั่งแล้วรู้สึกเมื่อยปวดเนี่ยดีละดีละตุลละตุลละ อย่างผมไม่ค่อยเมื่อยไม่ค่อยปวดอย่าไปไปทุก um ข์กับมันนะโอ้ธรรมดาขอบคุณมันที่มันเมื่อยยังปวดขอบคุณมาอย่างผมนี่ไม่ค่อยเมื่อยไม่ค่อยปวดมันไม่รู้สึกเซลลประสาทมันเสียไปหมดล้ะการขับถ่ายอะไรก็ไม่รู้สึกอาศัยการเรียนรู้โดยการมีสติเวลามันจะขับถ่ายจะรู้สึกอาศัยสังเกตดูอาการของด้านร่างกายสังเกตอาการมันมันแสดงการอย่างนี้อ่อนนี่คือปัสสาวะแสดงอาการอย่างนี้อุจจละ แสดงอาการนี้มันร้อนเกินไปมันหนาวเกินไปมันถูกของแหลมทิ่มแทงถูกยุ่งกัดมดกัดแม่งป่องต่อยกายมันบอกเหมือนมีสัญญาณเตือนภัยกายพยายามบอกเราเมื่อก่อนเราไม่ได้จริสติเราไม่รู้เลยมันบอกเราก็ไม่รู้แต่พอมาจิตตินี่โอ้โหกายมันบอกเราทุกอย่างเลยมันบอกเราว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็เรียนรู้ไป มันเป็นทุกข์ของรูปแต่ไม่ทุกข์ของเราไม่ทุกข์องเราเนี่ยพอเจเริ่องตีแล้วมันดูไม่ไม่ใช่เรานะเป็นเรื่องของรูปเหมือนดูคนอื่นเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์เหมือนจะดิธรรมเนี่ยเห็นผมเป็นคนพิการใช่ไหมใหม่ใหมก็ทาท่าจะพิการเหมือนผมพอดูหน้าแล้วบางคนกังวลต้องขอบคุณหนะ้าที่เป็นทุกข์แทนผมอะ่ะแต่ตอนนี้นี่หลายคนนี่โอ้สดชื่นมากพราะรู้ว่า คุณไม่ใช่ผมแน่นอนนะมันกลายเป็นดูผมพิการคุณไม่ได้พิการการจิตติก็เหมือนกันกลายเป็นผู้ดูแต่ไม่ได้เข้าไปเป็นเห็นรูปเนี่ยเป็นทุกข์เหมือนคนอื่นเป็นทุกข์รูปเหมือนคนป่วยคนไข้เหมือนเด็กอ่อนเราคือผู้พยาบาลมันจิตมันลาออกจากความพิการตรงเนี้ยจิตไม่ต้องพิการด้วยแล้วเป็นเพียงผู้ รับรู้รับทราบความพิการเป็นเรื่องของกายสบายเลยละออกมาแล้วละออกจากความพิการตั้งแต่ปีพศ .2538 จนปัจจุบันเนี้ยลืมไปแล้วว่าเราเป็นคนพิการเนี่ยอันนี้สูงนะเอาชนะความทุกข์ทางกายได้อันนี้ไม่ได้พูดจากตำราจากประสบการณ์เอามาเล่าสู่กันฟังพอละออกตรงนี้ได้เนี่ยจิตมันก็เริ่มมีความสุข ได้สัมผัสความสุขความสบายใจไม่ต้องแบกภาระของความทุกข์ทางกายเอาไว้ในจิตใจเป็นเรื่องของกายดูแลกันไปอยู่ก็ดูแลตายก็แล้วกันไปสบายเลยอิสระมากคนเราทุกวันเนี่ยแบกภาระทางร่างกายไว้มากกายมีหนึ่งขันรูปขันก็แบกภาระพอสมควรแล้วในขันของสามีเราภรรยาเราลูกเรา อีกต้องหลายขันต้องแบกไว้ในจิตใจใช่หไหมแต่ถ้าเรามีความรู้สตัวตัวนี้แล้วเกิดปัญญาแล้วไม่ต้องแบกสักขันหนึ่งแต่ช่วยครับเหมือนสามีภรรยายอยู่ด้วยกันเนี่ยรักกันมากเธอสุขฉันสุขด้วยเธอทุกขก์ฉันทุกข์ด้ว ย, วยต้องเปลี่ยนใหม่นะผู้ที่มีปัญญาเธอสุขฉันสุขด้วยเธอทุกข์ฉันไม่ทุกข์ด้วยแต่ ช่วยเธอไม่ให้ทุกได้มันต้องแบบนี้อย่าไปทุกด้วยไม่มีใครช่วยใครกอดคอกันร้องไห้ไม่มีประโยชน์เลยเธอทุกฉันไม่ทุกด้วยแต่จะช่วยเธอไม่ให้ต้องเป็นทุกขอย่างนี้ดีกว่ากายก็จิงก็เหมือนกันสบายเลยกายทุกขเราไม่ต้องทุกแต่ช่วยกายอันนี้เป็นส่วนห ย, ยาบๆนะสติมีปัญญาเอาชนะความทุกข์ทางกายได้แต่ถ้าเราจเจริญไปนา น, น, าน รู้สึกตัวไปงนานรู้กายเคลื่อนไหวไปวนานเรีบทต่างๆนอนนั่งยืนเดิ น, นดื่มเคี้ยวการทํางานให้รู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวเย่านี้ทำได้ทั้งวันตั้งแา่เช้าจดเย็นหลับแล้วก็แล้วกันไปเมื่อสติมันจเจริญถึงจุดหนึ่งเครียกเต็มรอบมันจะเห็นส่วนละเอียดยิ่งกว่ากายส่วนละเอียดยิ่งกว่ากายคืออะไรชีวิตมีสองอย่างคือกายกับจิต เมื่อเห็นกายแล้วต่อไปเห็นจิตที่จริงเห็นจิตนี้ไม่ได้ไปสวรรค์นนะเห็นจิตเนี่ยเท่ากับได้ต้นทางของนิพพานเลยถ้าใครเจริสติแล้วเห็นรูปเห็นนามได้ต้นทางของการปฏิบัติแต่ถ้าเห็นรูปเป็นนามแล้วเจริสติต่อไปเห็นจิตที่มันคิดนึกได้ต้นทางของพระนิพพานเลยงงไหม คงก็รู้ว่างงนะแต่ว่าเรารู้จิตแล้วนะเพราะอะไรจิตเนี่ยเป็นนามธรรมาจับต้องไม่ได้แต่เราสามารถสัมผัสได้จิตคือความรู้สึกคิดนึกใครไม่มีความคิดนึกบ้างนั่นคือคนตายคนมีชีวิตอยู่ต้องคิดนึกใครเห็นความคิดบ้างใม่มั่นใจถูกแล้วคนที่ไม่เห็นความคิดเพราะเราเข้าไปเป็นผู้คิดไง เหมือนเขาอยู่ในถ้ำก็ย่อมไม่เห็นรรมจิตคือผู้รู้ถ้าใครเห็นจิตที่มันคิดเนี่ยเท่ากับเห็นต้นทางของมนิพานเพราะว่าความคิดเนี่ยเป็นต้นตอของความทุกข์เพราะอะไรเพราะความคิดเนี่ยมันนำเอาอะไรมาสู่จิตใจเราราคะโทสะโมหะกิเลส ต, ต่างๆ มากับความคิดตรงนั้นพบชาติก็มาจากความคิดถ้าเราโกรธโอ้นี่โกรธเนี่สัตว์นรกเนี่ยเราโกรธเมื่อเรากลายเป็นสัตว์นรกทันทีเลยถ้าเราโลภโอ้นี่มันเป็นเปรตถ้าเราโลภอยากได้ไม่สิ้นสุดเนี่ยเราเกิดเป็นเปรตแล้วเรากลัวจิ้งจกกลัวตุกแกกลัวไม่ว่ากลัวอะไรแต่มีกลัวก็แล้วกันนั่นเราเป็นอสุรกาย อสุระแปลว่าความไม่กล้าถ้าสุราแล้วก็กล้าเห็นไะคนดื่มสุราจึงกล้าอ่าหาเราไปตีเขาหน่อยถ้าเราโง่หลงงมงายคือสัตว์ระจานถ้าเราทำบุญให้ทานโอ้นี่เป็นมนุษย์ถ้าเรารู้จักอายชั่วกลัวบาปในจิตใจโอ้เป็นเทวดาภพชาติเกิดจากความคิดถ้าไม่คิดสิ่งของนี้ไม่เกิดขึ้นเลยกรรม คือการกระทำกรรมมาจากความคิดถ้าไม่คิดกรรมก็ไม่เกิดขึ้นกรรมไม่ส่งผลเราเคยทำความชั่วเราเคยทำไม่ดีกับใครเอาไว้ถ้าไม่คิดมันก็ไม่เกิดนะถ้าคิดเมื่อยแล้วก็เราเป็นไงทุกข์เลยเราเคยทำความดีอะไรไว้ถ้ารู้ถึงความดีกรรมดีส่งผลเรามีความสุขถ้าคิดถึงความดีไม่ได้ใจเราก็เป็นสุขไม่ได้ แล้วใครนำออกกรรมเหล่านี้มาคือความคิดแตงั้นนะความยึดมั่นถือมั่นทำให้เราเป็นกรรมถ้าคิดขึ้นมาแล้วเราปล่อยวางได้มันก็ไม่เป็นกรรมกรรมเกิดจากความคิดกรรมเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นตัวตนน่ะตัวตนก็มาจากความคิดแตงั้นความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนก็คือมาจากความคิดความยึดมั่นถือมั่นคือความคิดแตงั้นเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ย คือกระแสของความทุกข์มาสู่จิตใจเราคิดดีเนี่ยเป็นทุกข์ไหมคนข้าตัวตายเนี่ยคุณคิดดีทงนั้นนะคิดดีก็คือความคิดคิดเป็นกุศลนี่ก็คือความคิดแต่มันทุกข์ว่าายเพราะเราไปยึดติดจะต้องได้อย่างความคิดเราทำความดีแล้วทำไมไม่มีใครมาชมเราทำไมไม่ได้เงินแล้วทำไม่ได้ที่เราคิดด้วยโอ้ทุกข์มากเลยเนี่ยติดดี ทำดีแล้วไม่ได้ดีก็ตรงเนี้ยพอเราไปยึดมัน่นถึงมั่นในความคิดดีดีทําไปเถอะแต่อย่าไปยึด ต, ติดเราทําความดีก็เพื่อความดีถ้าทําความดีเพื่อให้เราดีแล้วก็อันตรายมันมีตัวเราไปรับความดีถ้ามีตัวเราแล้วก็มันต้องดีต้องเก่งเนี่ยจะไปทุกตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นความดีคิดเถอะทำเถอะแต่อย่าไปยึด ต, ติดนะทำดีแล้วก็แล้วกันธรรมะจึงมีการสอนระดับสามชั้นไงละความชั่ว ทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้ฟ่องแพ้วคือไม่ยึดทั้งดีทั้งชั่วจิตจึงจะบริสุทธิ์ไงเนี่ยคือนิพพานเพรา ะ, ะนั้นความคิดเนี่ยมันพาความทุกข์มาสูจ่จิตใจเราถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ความคิดนั้นดีอันนี้คือสาเหตุของความทุกข์ทำให้จิตเศร้าหมองมัวหมองบางคนรู้ว่าคิดนะแต่ออกจากความคิดไม่ได้อยากจะออกจากความคิดแต่ออกไม่ได้ อันนี้เป็นจะบอกว่าความคิดเองทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเรารู้ไม่ทันแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นมันทุกวันเนี่ยเราเป็นผู้ที่ใช้ความคิดหรือความคิดใช้เราเรามีกายมีจิตก็ไม่ได้เป็นตัวงตัวเองเลยไม่ได้เคยเป็นเจ้าของเลยถูกความคิดเป็นเจ้าของหมดพราะเราขาดสติเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราขาดสติพอขาดสติแล้วนี่เราเข้าไปอยู่ในความคิดเลยแล้วก็ทําตามความคิดเลยเขาเรียก ตกกระแสความคิดแล้วทาตามความคิดพูดตามความคิดบางทีก็ เ, เสียใจโอ้เราไม่น่าทําอะไรนี้เราไม่น่าพูดไปเลยคําพูดเพียงคําเดียวทําให้คนนั้นเศร้ามองไปตลอดชีวิตเลยพราะเราขาดสติพูดตามความคิดพูดตามอารมณ์เราพราะรู้ไม่ทันที่บอกว่าบางทีอยากรู้นะเมื่อเราคิดเอย่ากจะออกจากความคิด พยายามไปต่อต้านพยายามไปห้ามอยากออกจากความคิดเอาความคิดเพื่อออกจากความคิดมันก็เหลือความคิดเอาความคิดออกจากความคิดไม่ได้หรอกเมื่อเอาขี้เป็ดไปล้างขี้ไก่อะมันก็ยังจกกรปปะป๋อเหมือนเดิมพยายามออกจากความคิดแล้วไปคิดเอาไม่ออกเพราะอะไรเขาเรียกว่าพวกนี้ติดอารมณ์เห็นไหมติดอารมณ์โอ้ข้างคาใจมาตั้งแต่ที่ทํางานติดไปถึงที่บ้านเอาให้เผื่อแพร่ญาติบ้าน เรื่องที่บ้านวุ่นวายเอามาที่ทํางานมาเผื่อแผ่เพื่อน<ๆ>ก็เรียกติดอารมณ์ติดอารมณ์เหมือนใจติดคุกกันล่ะ <c oughs> ออกไม่ได้เพราะคิดตีร้มันก็ลากความคิดลากจิตลากใจไปเพราะว่าสติน้อยความคิดรุนแรงสติน้อยเราต้องมาจตุสติมากๆนี่เห็นความคิดเห็นจิตเลยนะเนี่ยสติพาไปเห็นจิตต้นตอของความทุกข์ คือความคิดนี่เองเนี่ยความยึดมั่นหรือมั่นไม่ใช่ลังเกียดไม่ใช่ห้ามแต่ให้รู้ทันนะมั้ยการจิตระเสติเป็นการเรียนรู้ชีวิตตั้งแตรู้กายรู้ใจเราอย่าไปห้ามมันเพียงแต่จริสติมากๆเพราสติมากเนี่ยความคิดมันจะลดน้อยลงไปเองไม่ต้องไปไล่ความมืดเปิดไฟเท่านั้นเองความมืดมันก็หายไปเรีมมกยกว่าอะไรสว่างมามืดไป จิตสติมากๆโดยวิธีการละเนี่ยดูกายเคลื่อนไหวเรียวของเราแต่ละวันเนรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเนี่ยสติก็จะเจริญเองแล้วก็จะไปเห็นความคิดเมื่อความคิดเกิดขึ้นมาปับ๊บมีสติรู้มันคิดแค่รู้คิดเนี่ยไม่ห้ามความคิดไม่ตามความคิดไม่เข้าไปอยู่ในความคิดรู้เฉยๆว่ามันคิดอย่าไปรู้ในเรื่องราวรู้มันคิด ไม่ต้องหนีไม่ต้องสู้สักแต่ว่ารูเ้เฉๆความคิดจะทำงานต่อไม่ได้หยุดหายไปเลยเครียดมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ต้องไปทำอะไรแค่รู้มันคิดจบจบลงที่รู้สติเนี่ยทำให้จิตเป็นปกติปกติของกายปกติของวาจาอันนี้เป็นศีล น, นะเป็นศีลไม่ต้องไปสมาทานเลยพอรู้สึกตัวปับ๊บจิต มีศีลนั่นดีกายวาจาเป็นปกติไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผู้ปิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่นสุราเป็นศีลอยู่แล้วในความรู้สึกตัวหนึ่งครั้งจิตเป็นปกติคือมีสมาธิมีปัญญาปลดปล่อยความคิดออกจากจิตไปเลยโดยที่ไม่ขึ้นอยู่อความคิดแค่รู้สึกแล้วเกิดอะไรขึ้นมาจิตก็จะผ่องใสเบิกบานเป็นปกติเพราะว่าไม่ถูกความคิดปรุงแต่ง คนเราจิตเศร้าหมองเพราะความคิดปรุงแต่งนิพพานไม่ได้ก็เพราะความคิดปรุงแต่งจิตไม่บริสุทธิ์ถ้ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วความคิดจะรบกวนจิตไม่ได้จิตจะผ่องใสมีความสุขรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในตัวเลยจะว่าไปแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นทั้งมักทั้งพลอยู่ในตัวเสร็จเนี่ยมันก็มีความสุขจิตมันก็ดีเมื่อจิตดีเนี่ย ร่างกายก็ดีด้ว ย, ยผมเนี่ยพิการมายี่สิบเก้าปีแล้วอยู่ไม่ได้อย่างไรเพราะจิตดีถ้าจิตไม่ดีเนี่ยบอคงจะเสียชีวิตเป็นนานล้ะเมื่อจิตดีกายก็ดีการทํางานก็ดีมองโรคในแงด่ดีอารมณ์ที่มากระทบก็กลายเป็นดีไปหมดแม้แต่ร่างกายพิการทําอะไรไม่ได้ไม่มีความสะดวกไม่มีความสบาย แต่จิตใจนี่ทั้งสะดวกทั้งสบายสบายเลยมีแต่ความผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดและที่สำคัญก็คือมันเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมองโลกในแง่ดีเชื่อมั่นในตนเองแต่ก่อนเนี่ยผมไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองอยู่ที่บ้านนี่ก็ไม่กล้าแสดงตัวกลายเป็นคนมีปมได้เวลามีใครมาที่บ้านผมก็จะหลบไม่อยากให้ใครเห็นสภาพอย่างเรา ไม่อยายก็ เ, เห็นไม่กล้าแสดงตัวในที่ชุมชนปีหนึ่งจะไปลงพยาบาลสักครั้งหนึ่งไปแบบไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครเห็นแต่พอมาปฏิบัติธรรมมัจจุตติเนี่ยมันเกิดความมั่นใจไปที่ไหนก็ได้กล้าหาันจานใจพูดในที่ชุมชนก็พูดได้พูดด้วยความมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวเองเกิดตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยทําให้เรามีคุณธรรมมากยิ่งขึ้น กล้าพูดเพราะสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเห็นประโยชน์ในที่เราทํามองประโยชน์จากการที่คนฟังจะได้รับให้ประโยชน์เขาโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์จากเขาให้โดยที่ไม่หวังมุ่งให้ผู้อื่นมากกว่ามุ่งหวังจากผู้อื่นเมื่อเกิดความมั่นใจก็มีความสุขในการทําหน้าที่อย่างวันนี้มาพูดเนี่ยไม่ได้คิดว่าใครจะตั้งใจฟังนะ ไม่ได้หวังว่าเขาจะเอาไปใช้ไม่ไดหวังวเขาจะตั้งใจฟังแต่เรามีอะไรที่พูดก็พูดเถอะแต่เขาเป็นหน้าที่ฟังมันเลือดของเขาเห็นไหมประโยชน์ของเราคือทําแล้วให้เขาได้รับประโยชน์แล้วเราเองก็ได้รับประโยชน์ด้วยมาเลยเกิดความเชื่อมั่นในการทํางานแบบนี้ญาติธรรมก็เหมือนกันผมเองนี่พูดธรรมะขั้งที่สามแต่ก่อนนั้นก็ปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็เริ่มพูดธรรมะขั้นที่สาม ถูกเชิญไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งนักเรียนมัธยมแปดร้อยคนนักเรียนแปดร้อยคนมานั่งฟังผู้ขั้นที่สามนั่งกับพื้นอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปพูดเนี่ยครูจับปูใส่กระด้งมาแล้วเด็กไม่ค่อยได้ตั้งใจแปดร้อยคนนั่งในโรงยิมใหญ่เลยนั่งเรียบร้อยครูก็จัดระบบเรียบร้อยแล้วไปพูดในวันเอ็ดโลกเชิญคนพิการไปพูดวันเอ็ดโลกก็ไป เรามั่นใจเนี่ยเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรเข็นรถเข้ามาโอ้เด็กพอเห็นผลปับ๊บถ อ, อ, อ, อ, อ, อยหลังไปเลยออกห่างๆพูดวันเอ็ดโลกคนที่มาพูดนี่นะ่ากลัวจะเป็นเอ็เดถอยหลังไปสามช่วงคนเราก็รู้แล้วอ๋อเด็กถอยหลังอน่ากลัวเด็กเขากลัวเราจะไปชนเขา เ, เราก็นั่งคุยพอเริ่มพูดเนี่ย แล้วก็บอกว่าความเป็นมังฝุ่นนี่เป็นอย่างไรพิการเกิดจากอะไรออไม่ใช่เอศเนี่ยพยับเข้ามาเพราะผู้แบบพูดม า, ดมาคนพิการอย่างผมเนี่ยขับถ่ายไม่รู้สึกหรอกนึกจะปัสสาวะก็ปัสสาวะอุจลักษ์อุจล่จามาทันทีเลยถอยหลังไปคือพอพูดมาตอนสักยี่สิบนาทีเนี่ยา ก, การจริตสติเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหว เป็นการฝึกจิตให้รู้พอจิตรู้แล้วมันจะเรียนเก่งขยับขึ้นมอยู่แค่สองครั้งสามครั้งพอเลยนาทีที่ยี่สิบอะไรให้ฝึกเพกครึ่งชั่วโม ง, งจะเข้าสู่การปฏิบัติเริ่มมีธรรมะแล้วเอาละเด็กเริ่มสแสดงนิ่จัยเด็กออกมาแย่กันเล่นกันที่มีนกร่อนอผมก็พูดไปเรื่อยๆหน้าทีของเราเนี่ยหน้าที่ฟังคือเขาหน้าที่เราคือพูด พูดไปจนจบจบแล้วก็อวยพรเสร็จเด็กข้างหน้าสาทุขข้างหลังตบมือห่อได้สองคะานเลยคะน้าะน า, นาสาธุขข้างหลังตบมือเนี่ยพูดจบก็เข็นรถไปคุณครูออกมาตอบทันทีเลยต่อว่าเด็กครูเนี่ยเสียหน้ามาพวกเธอทำให้ครูเสียหน้ามาวิทยากรมาด้วยความลำบากยกขึ้นมาชั้นสองต้องอุ้มขึ้นมาต้องแบกขึ้นมา มีแต่ความรู้ให้เรามาไปปฏิบัติแต่เราไม่สนใจเลยเด็กนั่งฟังเงียบกลิบเลยแล้วก็นึกเออเราพูดตั้งใจเขาเป็นคนดีเอาสิ่งดีไปให้เขาแต่เขาไม่ค่อยสนใจแต่พอครูด่าแล้วเขาตั้งใจแต่ผมเข้าใจนะเด็กวัยเนี่ยจะมาฟังอะไรกับเรื่องธรรมะเราสื่อธรรมะไม่ถูกต้องกับเด็กเป็นธรรมะที่เป็นธรรมะมันขมไม่ได้เคลือบช็อกโกแลต เด็กก็เลยไม่ชอบแล้วเข้าใจเด็กก็สมาธิสั้นเป็นธรรมดาสิบห้าทีก็ตั้งใจฟังได้ก็ดีแล้วโอ้พูดคั้นที่สามล้มเหลวแต่ก็ไม่ล้มเหลวนะเราทําด้วยความตั้งใจด้วยความมั่นใจเห็นไหมงานที่เราทําทัำด้วยความมั่นใจเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเนี่ยเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เหมือนอย่างกับอาชีพประกันชีวิตนี่แหละถ้าเรามองคุณค่าของอาชีพเนี่ยเราจะมีความมั่นใจในการทํางาน ถ้าเราทำประกันชีวิตด้วยใจด้วยความจริงใจให้ประโยชน์ลูกค้าแต่ก็ไม่ได้หวังอะไรจากลูกค้าไม่ได้หวังประโยชน์แต่ให้ประโยชน์เขาเนี่ยเราทำงานอย่างมีความสุขมีคุณธรรมอาชีพประกันชีวิตเนี่ยเป็นธุรกิจนะแต่ถ้าเราทำด้วยใจเนี่ยเป็นธุรกิจบุญได้เหมือนกันนะธุรกิจบอกบุญไม่ได้เรียอะไร ธุรกิจบอกบุญให้คำแนะนำช่วยเหลือเขาเป็นการทำแบบบำบัดทุกบํารุกสุขได้เหมือนกันถ้าเราทําด้วยความเมตตามุ่งประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญแล้วก็เราทํางานแบบมีความสุขจะทําให้เรามีคุณธรรมมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยงานเนี้ยเป็นงานที่พัฒนาตัวเราเองถูกไหมความกล้าหาญความมั่นใจ พัฒนาตัวเราแล้วก็พัฒนาลูกค้าด้วยถ้ารู้จักฟูดถ้าเราทำด้วยความเมตตาด้วยความอดทนเมตตาอดทนขยันเนี่ยเป็นคุณธรรมนะไม่ต้องไปในที่ไหนในตัวเราเนี่ยมีความเมตตาจริงใจขยันอดทนเวลาเกิดปัญหารู้จักแก้ปัญหาจะเกิดปัญญาเป็นการเสียสะละละความเห็นแก่ตัว โอ้นี่เป็นศูนย์รวมแห่งคุณธรรมทั้งนั้นเลยตราด้วยความตั้งใจทำงานประการชีวิตต้องมีใจด้วยเดี๋ยวทำแต่งานใจไม่มีเนี่ยมันก็ได้แต่งานแต่ไม่มีใจทํางานอย่างมีใจคือทําด้วยความจริงใจตั้งใจมันก็จะมีความสุขกับการทํางานเป็นคุณธรรมทั้งนั้นเลยอาศัยการทํางานเนี่ยเป็นเวทีการฝึกฝนจิตใจให้มีคุณธรรมประจําใจเรา เราสามารถเติมสติในการทํางานให้รู้สึกตัวในการทําหน้าที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่ต้องเข้าวัดได้เหมือนกันทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังคิดอะไรอยู่เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วทาบุญได้ทั้งวันเลยไหมเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้การเจริญสติให้เกิดคุณธรรม ไปอาการทํางานเนี่ยชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนนะอย่างวั้เราจะใจเย็นมากยิ่งขึ้นจะมองโลกในแงด่ดีจะมีความเชื่อมั่นในตนเองผู้ขายประกันถ้ามองโลกในแง่ดีเนี่ยเราจะรู้ว่ายอดขายเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะอยู่กับบริษัทเนี่ยได้นานเพราะอะไรเพราะเมื่อขายประกันไปแล้วบางทีลูกค้าไม่สนใจไม่ซื้อแต่ก็ไม่ท้อแท้ใจ ที่จะหาลูกค้ารายต่อไปมันก็มีโอกาสที่ประสบผลสำเร็จได้ผู้ขายประกันที่มองโลกในแง่ร้า ย, ายพอขายประกันแล้วไม่ได้เป้าหมายในใจคิดไว้เนี่ยชิงลาออกไปก็มากนะเพราะมองโลกในแง่ร้า ย, ายท้อแท้ไม่ยอมที่จะทำต่อไปเปลี่ยนงานไปทำงานอื่นก็ต้องลาออกอีกละเพราะนั้นการมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันทำให้จิตใจเราเนี่ยกระตือรือร้นเป็นการให้กาลังใจตัวเอง ก็ขอให้กำลังใจว่าแม้ว่าเราจะผิดหวังผิดพลาดในครั้งแรกครั้งเล่าก็อย่าไปท้อแท้ใจอดทนทำความเพียรที่จะหารายต่อไปด้วยความเข้มแข็งอดทนด้วยความขยันมโรดดีแง่ดีด้วยความมั่นคงมั่นใจอาศัยแบบอย่างคนที่เขาประสบผลสาเร็จมาเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับเราเราคนหนึ่งละ ก็มีโอกาสที่จะประสบผลผลิต อ, อย่างเขาได้เหมือนกันอันนี้ขอให้กำลังใจในการทาหน้าที่นี้อย่างไรก็ตามวกมาเรื่องชีวิตเราหน่อยเมื่อกี้ชีวิตการงานอันนี้ชีวิตที่เราต้องมาใช้ในปัจจุบันเคยเริ่มต้นที่หัวข้อว่าชีวิตเรานี่มันไม่แน่นอนเพราะนั้นถ้าเราจะเป็นหมอดูเนี่ยก็ดูได้เลยว่าอนาคตคุณนี่ไม่แน่นอนแก่แน่เจ็บแน่ตายแน่แต่ตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ ตายได้โรคอะไรตายแล้วจะเกิดเป็นอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อชีวิตไม่แน่นอนอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอย่าประมาท ต, ตอนนี้เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเรายังมีความทุกข์น้อยอยู่อย่าประมาทอย่าประมาทในชีวิตจงทาประกันชีวิตด้วยธรรมะซะทาประกันชีวิตด้วยธรรมะชีวิตจะปลอดภัยทำยังไงทาประกันชีวิตด้วยธรรมะคือการฝึกให้ทานฝึกรักษาศีล เพื่อความปลอดภัยรักษาศีลให้ทารัษาศีลแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันรู้กายเคลื่อนไหวในการทํางานรู้จิตที่มันคิดนึกรู้เท่าทันเป็นการฝึกภาวนาในชีวิตประจำวันเวลาจิตมันคิดโกรธอ้อนี่มันโกรธแล้วรู้ทันมาจิตมันโลภให้สติรู้จิตมันหลงก็ให้รู้ถ้าเรามีการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะปิดประตูบายได้นะ ตกนรกก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าปัจจุบันไม่ตกอนาคตก็ไม่ตกถูกไหมมีสติซะนั่นอ่ะมันปิดประตูบายได้ประกันชีวิตประกันข้ามภพข้ามชาดได้ไหมประกันได้ไม้ว่าเราจะมีความสุขประกันชีวิตก็เพื่ออะไรเพื่อให้ความสะดวกสบายหลังจากที่ประสบปัญหาจึงจะได้รับเบี้ยประกันแต่ถ้าประกันชีวิตด้วยธรรมะเนี่ยชีวิตก็มีความสุขประกันข้ามภพข้ามชาติเลย รับรองปิดประตูบายได้ตายไปไม่ตกนรกมีโอกาสตจะไปสุคติคือขึ้นสวรรค์ถ้าถึงที่สุดเนี่ถึงนิพพานเลยเห็นไหมมีบริษัทไหนประกันให้ถึงนิพพานได้บ้างพุทธบริษัทเนี่ยนะประกันชีวิตข้ามภพข้ามชาติไม่ตกตนรกปิดประตูบายมีนิพพานเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นให้พวกเราเนี่ยประกันชีวิตด้วยธรรมะกับพุทธบริษัทโดยใช้สโลแกนที่ว่า ถ้าประกันชีวิตด้วยธรรมะย่อมชนะความทุกข์ทางปวงเนี่ยผมคนพิการนะนำเสนอนะแต่ไม่ได้ขายปกติแล้วคนพิการเนี่ยไปทาประกันที่ไห น, เ, นเขาไม่รับหรอกแต่พุทธบริษัทนี่รับและรับทุกคนด้วยสนใจไหมอย่ารอให้พิการอย่างผมแล้วก่อนแล้วใครปฏิบัติธรรมนะเรามีโอกาสแล้ว